บทที่197เฉลยทุกคนเหมือนจะตื่นขึ้นพร้อมกันทั้งหมดในยามสางของวันรุ่งขึ้นเป็นการตื่นที่ถูกปลุกด้วยเสียงเอะโวยวายและการเคลื่อนไหวย่างฉุกลระหุกของพวกทหารเสียมากกว่าที่จะตื่นขึ้นเองเสียงชายันผูด้สะดุง้งลืมตาอุทานออกมาว่าเฮ้ยนี่มันเกิดกะลียุคอะไรขึ้นมาอีกแล้วมั้งในขณะที่เชษฐามาเรียและคนอื่น ดึงกายลุกขึ้นนั่งเพื่อเงียหูสะดับฟังเสียงทันทีด้วยความสงสัยระพินดารินและขยินผู้สึ่งรู้เหตุการณ์ดีอยู่แล้วบัดนี้ยังทำเป็นนอนหลับนิ่งเฉยอยู่จนกระทั่งถูกคนอื่นปลุกขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอครับพี่ใหญ่น้องสาวแกล้งไก่ทำหน้าตื่นถามเชษฐาไม่ตอบแต่นั่งตะแคงหูฟังสำเนียงเสียงเคลื่อนไหว และเสียงพูดกันอย่างอื่ออึงเป็นโกลาหนผิดสังเกตยอยู่นอกกระโจมและส ก, กิดให้น้องสาวฟังดารินชํำเลืองไปทางจอมพรานของหล่อนเห็นเขาลุกขึ้นนั่งชันเขา่าเอามือเสืยผมและอาปากหาวอย่างไม่สนใจอะไรนะักส่วนขยินนะทำตาลอกแลกสอพิรุษแต่ไม่มีใครหันไปสังเกตมันเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่ากองโจรบุกข้าโจมตีกองทัพนี้อีกครั้ง มาเรียเอ่ยขึ้นเปรยๆพร้อมกับหัวเราะอย่างไม่มีความหมายแล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรต่อมานั่นเองปากประตูกระโจมก็ถูกแวกกว้างออกทหารหมวดหนึ่งโผพวดเข้ามาจ้องดูเฉลยทุกคนขมิงหัวหน้าสังเกตลักษณะแต่งกายมียศเป็นชั้นนายกองมีสีหน้าเครียดขรึมยกนิ้วมือขึ้นนับจำนวนเฉลยไปทีละคนพอเห็นว่าอยู่ครบคนก็แสดงความพิศวง หันไปซุบซิบกับทหารใต้บังคับบัญชาทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นท่านหัวหน้าคณะร้องถามออกไปอย่างสงสายขีดสุดพร้อมกันลุกขึ้นยืนคนอื่นๆก็เลยพากันลุกขึ้นหมดยกเว้นระพินคนเดียวที่ยังบิดกายอย่างเมื่อยขบทั้งหมดพากันยืนประจันหน้ากับทหารที่โผล่เข้ามาอย่างพรวดพราดชุดนั้นไม่มีคําตอบใดๆจากทหารหมวดนั้นคงซุบซิบกันเองอยู่อีกอืดใจ ก็พละเดินตบเท้าพรึบพรบออกไปหมดเชี่ยถขาเก้าพรวดเดียวออกมานอกกระโจมซึ่งทำให้ทุกคนตามหลังออกมาในทันทีท่ามกลางอากาศอันเย็นชื่นบริสุทธิ์ของยามเช้าก่อนที่แดดลำแรกจะทอดลงมาทั้งหมดมองเห็นความผิดสังเกตได้ชัดทหารมาลาดระเวนตรวจ ด, ดูอะไรตามรอยพื้นดินรอบๆกระโจมพักของเฉลยแล้วห่างออกไปรอบทิศพร้อมท้งตะโกนร้องสั่งการกันเป็นทอดๆ บางก็ยืนจับกลุ่มพูดกันแซดเอ๊ะอะไรของมันวะท่านจะก็ว่าเมื่อคืนนี่เสือย่องก็ามาขาดพวกมันไปกินงั้นแหละชัยยันพูดส่งเดชไปตามเรื่องขณะที่มองกวาดไปยังภาพชุลมุนชวนให้ปิดสังเกตนั้นก็อาจเป็นไปได้ครับคุณชัยยันแต่เราอย่าไปสนใจอะไรกับมันดีกว่าครับไปล้างหน้ากันที่ลำธารนั่นดีกว่า วันนี้ล่ะครับที่เราจะได้เผชิญหน้ากับกษัตริย์สิงหราละผูพ้พูดเรียบๆคือจอมาคุเทสแล้วเขาก็เดินนำหน้าทุกคนโดยไม่รอใครตรงไปที่ลำธารทำให้คณะพักตามกันไปทั้งหมดระหว่างที่วักนา้าอันเย็นเฉียบขึ้นมาลูบหน้าเพื่อขจัดความงัวงเงียมีทหารมากลุ่มหนึ่งหยอเข้ามาคุมเชิงสังเกตดูห่างๆอยู่ตลอดเวลาเชิาหันไปชำเลืองมองรอบๆตัว แล้วหันไปมองจอมพรานซึ่งบัตรนี้กำลังเอาผ้าเข้ามาเช็ดตามลำคออยู่ได้กิริยาปกติระพินครับผมซื้ออะไรที่ไหนมันจะย่องเข้ามาคราบใครเอาไปกินในเมื่อที่นี่เป็นกองทัพกำลังค น, นเป็นกองพลเลยและภูมิประเทศที่ตั้งก็เป็นทุ่งชานเมืองหลวงใกล้กันแค่นี้เองสังเกตดูลักษณะของพวกนี้นะมันตื่นตกใจมากมันคงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทีเดียวนะ ระพินไม่ตอบและมองไปทางดารินผู้นั่งอยู่บนก้อนหินกลางทานาน้ำตื้นๆใกล้กับพี่ชายทาให้เชิดถาผู้เชาว ป, ปัญญาวัยอยู่แล้วหันขวับไปสังเกตน้องสาวเหมือนจะลวงความลับออกมาให้ได้พี่ใหญ่คะเฉยไว้ก่อนคะ่ะปริวน้อยจะเล่าอะไรให้ฟังคะ่ะพี่ชายคาเม็นมองหน้าพรานนำทางกับน้องสาวคนละที ครูหนึ่งก็พยักหน้าอย่างคนที่พูดกันได้เข้าใจอย่างง่ายๆไม่กล่าวอะไรอีกส่วนดารินก็หันไปเอานิ้วแตะริมฝีปากกระชยันและมาเรียในเชิงให้สงบความพิศวงลงชั่วขณะปล่อยให้พวกรรานพื้นเมืองพูดกันเอะอะแสดงความสงสัยในท่าทีของทหารหลวงไปตามเรื่องมีก็แต่ขยินเท่านั้นที่เย็บปากเงียบอยู่ได้ชำระสะสารร่างกายกันเป็นที่ผ่องใสเรียบร้อยดีแล้ว ทั้งหมดก็กลับเข้ามาในกระโจมพักแต่เช้าเริ่มทอแสงอบอุ่นอาหารยังไม่ถูกนำเข้ามาให้เฉลยซึ่งผิดปกติไปกว่าทุกวันระหว่างที่ถูกควบคุมเดินทางสภาพของความขวักว่คววุ่นวายของผู้คนในกองทัพก็ยังมีอยู่ไม่สางสาครั้นแล้วก่อนที่ฝ่ายเฉลยจะรวมกลุ่มกันภายในกระโจมพัก ต่างก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามาจำนวนหนึ่งประมาณสามสี่สิบตัวควบออกมาจากทางด้านประตูเมืองชั่วไม่นานนักบุรุษเคราดกผู้มีนามว่ารหัสยะตำแหน่งอุปราชพระอนุชาก็ปรากฏกายขึ้นภายในที่พักเฉลยแวดล้อมไปด้วยบริวารทหารสนิทเรียงรายอยู่เป็นขบวนอรุณสวัสด์ท่านรหัสยะเรายินดีที่ได้พบท่านในเช้าวันนี้อีกครั้งตามที่ท่านสัญญาไว ก่อนที่พวกเราจะถูกควบคุมตัวเข้าเมืองเชิฐาร้องทักออกไปอย่างสุภาพแจม่มใสพร้อมกับยิ้มให้ราหัสยะยิ้มตอบเช่นกันแต่ดูเหมือนจะแยกเขี้ยวซะมากกว่าตาคมวาวกราดมองไปยังทุกคนตามลำดับเหมือนเช่นทุกครั้งที่โพลกเข้ามาเยี่ยมเฉลยพวกท่า น, นยอยู่ครบจำนวนพร้อมหน้ากันดีอยู่หรอกเหรเสียงฮ้าวกระด้างที่สวนคำมานั้นไม่ได้แสดงถึงไมตรีเลย ถ้าเราไม่อยู่แล้วเราจะไปไหนแล้วรหั ส, สยะดารินปากไวประทุกคนร้องถามออกไปเลือดชักขึ้นหน้าแต่เช้าเพียงแต่ได้ยินเสียงและเห็นหน้ารหั ส, สยะครั้งแรกหลอนก็ชักจะอารมณ์ไม่ดีซะละอุปรา a พระอนุชาทําเสียงห <c oughs> ึในลำคอแววที่เคยสอว่าอาจเป็นมิตรได้บ้างขณะที่ฝ่ายเฉลยได้ช่วยชีวิตกุตมะเอาไว้บัตรนี้ดูแทบจะไม่เหลืออยู่เลยอย่างไรก็ตาม เสียงที่กล่าวต่อไปเบาลงแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความชายเย็นเป็นไงราตรีที่ผ่านมาพวกท่านนอนหลับสบายกันดีอยู่หรอกเหรอก็หลับสบายดีนี่ไม่มีใครทางตายอยู่ใสีเวลานอนพักของเรารอกผู้ตอบคือชัยยันผู้เป็นขมิ้นกระปูนกับรหัสยะตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกแล้วหลับสนิท ต, ตลอดคืนไม่มีใครตื่นขึ้นเลยแม้แต่คนเดียวอย่างนั้นใช่ไหม อุปราชพระอนุชาย้ำถามอีกครั้งในลักษณะสอบสวนใช่เราหลับกันทุกคนเพิ่งจะมาสะดุ้งตื่นตอนเช้าตรู่พระทหารพวกท่านอะชุลมุนวุ่นวายอะไรกันอยู่ส่งเสียงเอะอะไปทั่วจนเราทนนอนต่อไปไม่ได้มาเรียเอ่ยตอบขึ้นบ้างแล้วกล่าวมาอย่างใจเย็นว่านี่ราหสยะทำไมท่านไม่บอกพวกเราล่ะ ว, ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพนี้ แล้วอะไรที่ทำให้ท่านขมัสซักถามพวกเราซสรากะว่าพวกเราได้กระทําผิดสิ่งใดซึ่งพวกเราไม่รู้ตัวเลยจอมพรานยืนสำรวมนิ่งปล่อยหน้าที่การเจราจาโต้อตอบแกคณะนายจ้างของเขาเมื่อคืนนี้นะ่ะประมาณยามสองจนกระทั่งใกล้รุ่งกองทัพนี้ถูกลมยาสะกดให้หลับกันไปสะเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอยู่เวีนยามทางด้านตะวันตก รหัสยะประกาศขึ้นตาเ ย, ยว่ทั้งคู่รีลงเล็กน้อยข้อความตำคำพูดนั้นทําเอาเชาิฐาชัยยันมาเรียและพวกพรานพื้นเมืองที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนถึงก็งงงันตกใจมีการลอบเข้ามาขโมยตัวทหารที่อยู่เวรยามสูญหายไปจำนวน18ปดคนรวมทั้งยามสองคนที่เฝ้ากระโจมพักของพวกท่านด้วยเป็นการกระทามันอุกอาจของพวกกองโจร และจากการตรวจสอบหลักฐานของฝ่ายเราพบกองโจรส่วนหนึ่งได้เล็ดลอดเข้ามาจนถึงใจกลางกองทัพในระหว่างทหารยามหลับและได้ป่วนปี่นเข้ามาใกล้กระโจมพวกท่านด้วยน่าประหลาดนะดารินแซงทําหน้าตื่นร้องขึ้นพวกเราพากันหลับสนิทไม่รู้สึกตัวเลยแล้วท่านจะบอกได้หรือไม่ล่ะว่ากองโจรเหล่านั้นน่ะลอบเข้ามาในกองทัพมีเพื่ออะไร เามาเพียงเพื่อจะขโมยตัวยามสิบแปดคนของท่านไปเท่านั้นเองเหรอเรื่องนี้นะเราอยากใหพวกท่านเป็นฝ่ายตอบคําถามนี้ซะมากกว่าราษยศสวนมาโดยเร็วเสียงชา ย, ยันอุทานออกมาว่าเอาเฮย้ยตะพินไพวันก้าวล้าหน้าทุกคนออกมาประจันหน้ากับราษยะด้วยเท้าวหน้าเรียบเรียที่อ่านยากของเขาราษยะ ผู้ให้จะแจ้งสิที่ท่านพูดใน ห, หมายความว่าอะไรอุปราชพระอนุชาผู้มีอำนาจเต็มในกองทัพจ้องหน้าเขาด้วยในตาอันขุนเขียวจะต้องให้มีคำไปอะไรอีกล่ะเนี่ยกองโจรสกดและลักตัวยามของกองทัพปัดช่องเข้ามาจนถึงกระโจมที่พักของพวกท่านเพื่อจะมีการติดต่ออะไรสักอย่างที่เรายังไม่อาจรู้ได้แต่พวกท่านปฏิเสธไม่รู้ โดยอ้างว่า น, นอนหลับกันทั้งหมดอ้าวพูดแบบนี้มาผลักเอาดาบเถือคอกระถิดีกว่าวะไอ้คงยออไม่เชื่อก่อนด้วยวะบุญคำอดทนทนไม่ได้ขยับดาบเดินป่าของแกจะเดินออกมาแต่ชายันคว้าคอไว้ซะก่อนกระสิบปลามเฉษฐานั้นครั้งแรกก็โกรธจนหน้าแดงไม่ได้ยินรหัสสยะกล่าวหาเอาเช่นนั้นแต่เล่าชั่ววูบเดียว ก็ดูเหมือนเขาจะเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้สงบอารมณ์สงวนท่าทีลงตามเดิมมาเรียจุปากเบาๆอย่างเดือดดานใจแต่คนที่รู้อะไรอยู่แก่ใจของคณะทั้งสามคนมีอาการที่เป็นปกติใจเย็นที่สุดฟังเรานะรหัสยะฟังแล้วใช้เหตุผลใครครวนสักนิดอย่าเอาแต่อำนาจคมคูนะักระพินพูดเสียงเบาแต่กล้าว มีหลักฐานใดที่จะมากล่าวหาพวกเราเช่นนี้ท่านเองน่ะอ้าววัทหารซึ่งขอเติมด้วยคำว่าไร้สมร t ภาพของพวกท่านทั้งกองทัพจำนวนเป็นพันถูกกองโจรมด้วยยาสะกดหลับกันไปหมดและพวกนั้นก็เข้ามาเพื่อจะพยายามติดต่อกับพวกเราข้อที่หนึ่งที่เราจะถามก็คือกองโจน่ะมีอะไรผูกพันอยู่กับเราจึงจะต้องมาติดต่อเพื่อการอันใด ข้อที่สองถ้ากองโจรมีความเป็นมิตรปรารถนาดีต่อเราขนาดขโมยยามรักษาการของพวกท่านไปได้ก็เหตุใดถึงไม่ได้ขโมยพวกเราทั้งสิอคนไปซะให้พ้นจากการตกอยู่ในควบคุมของท่านด้วยะ่ะข้อที่สาถ้ากองโจรรมด้วยยาสะกดมีอิทธิฤทธิอำนาจจริงจนกองทัพของท่านหลับกันไปหมดก็พวกเราเราจะอยู่กันได้ยังไงพวกเราก็ต้องพลอยหลับเป็นตายกันไปหมดทุกคนด้วยเหมือนกัน จริงหรือไม่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งมรกฎนครรองจากกระสัสิงหรากรดอกอึ้องไประพินกล่าวต่อไปว่าข้อเท็จจริงก็คือพวกเราพากันหลับเป็นตายเหมือนทหารของท่านนั่นแหละแล้วเพิ่งจะมาตื่นเอาตอนรุ่งสางตอนที่ทหารของท่านอื้ออึงขึ้นพวกเราประหลาดใจอยู่เหมือนกันเพราะตามปกติแล้วพวกเรานะเป็นคนนอนวัยกันทั้งสิน้น การหลับรวดเดียวตลอดรุ่งเช้าโดยไม่รู้สึกเลยนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดวิสัยสำหรับเราก็เพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองจากปากคำของท่านว่าพวกโจในใช้ยาสะกดรมกองทัพเพื่อลักลอบเข้ามาลักลอบเข้ามานะ่ะเข้ามาเพื่ออะไรเชิถาพืมนพำรรขึ้นลอยๆข้าวหน้าใช้ความคิดเขารู้ว่าจะต้องมีรับลมคมในอะไรที่ระพินและดารินรู้กันอย่างแน่นอน จากการที่น้องสาวแยมแยมไวที่ทานน้ำตอนลัางหน้าแต่ก็ยังนึกไม่ออกก็ น, นั่นนะสิลักลออเข้ามาเพื่ออะไรรหัสยะทวนคําบ้างพร้อมกับหัวเราะเยี่ยมเยี่ยมต่อมาว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราค้นพบหลักฐานพวกโจรที่ล่อตัดทางเข้ามานั้นมุ่งตรงมายังกระโจมพักของพวกท่านโดยจุดประสงค์อะไรสักอย่างหนึง่ง ถ้าเจ้าพวกนั้นมันจะวางแผนขโมยตัวท่านทั้งสิบเอดคนไปซะเลยเราก็จะไม่สงสัยอันใดเลยกละนี่มีรอยของพวกมันลอกเข้ามาแล้วก็มีรอยกลับออกไปส่วนพวกท่านก็ยังอยู่กันครบอ้างว่านอนหลับสนิท ต, ตลอดทั้งคืนโดยไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลยจึงทําให้เราสงสัยเป็นกําลังว่ามันเข้ามาพบใครสักคนหนึ่งในบรรดาพวกท่านแน่นอนอย่าสงสัยไปเลยรหัสยะ ไม่มีโจรคนใดเข้ามาพบพวกเราคนไหนเพื่อประโยชน์สิ่งใด้รอกดารินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงใสหล่อนพยายามจะพูดกับราษยะอย่างอ่อนโยนแล้วอีกประการหนึ่งท่านก็ไม่น่าจะมาบอกให้พวกเรารู้ถึงความไร้สมร t ภาพของกองทหารของท่านเช่นนี้เลยนะรวมกำลังกันอยู่เป็นกองพลปล่อยให้โจรที่มีกำลังเพียงไม่กี่คนลักลอบเข้ามาจนถึงใจกลางที่พักพล มีหน้ํำซ้ายังขโมยตัวทหารเฝ้ายามไปได้ซะอีกกว่าจะมาระแคะระคายโวยวายสอบสวนรู้เรื่องราวกันขึ้นก็ต่อเมื่อรุ่งเชา้าฮะมันน่าละอายนะทหารของท่านนี่หาคนดีมีฝีมื อ, อยากเหลือเกินนี่โชคดีนะว่าท่านจอมทัพรหัสยะเข้าไปพำนักนอนในเมืองเป็นที่สุขสโมสรซะก่อนทิ้งให้ทหารใต้บังคับบัญชาพักพนกันอยู่ข้างนอกนี่แต่าบาังเอิญท่านรหัสยะพักอยู่ในกองทัพนี่ด้วย จนมันมิขโมยศีรษะของท่านไปเสด้วยแล้วหรอกเหรอสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะคำพูดของดารินอ่อนหวานราบเรียบปนสีหน้ายิ้มๆก็ตามทีแต่รหัสสยะฟังและตาพองหนวดกระดิกด้วยความฉุนโกรธแผดเสียงออกมาว่าก็เพราะเราไม่อยู่นะสิไอ้จนมันถึงได้กำแหงลักลอบเข้ามาทาการอุกอาได้ถึงเพียงนี้ถ้าเราอยู่นั้นมันจะกล้าไหม ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะต้องถูกจับได้ทั้งหมดนั่นแหละก็ถ้าเช่นนั้นก็เป็นความบกพร่องเพราะเป็นความเห็นแก่ตัวของท่านเองที่ทิ้งกองทัพก็ไปหาความสุขสบายในเมืองทั้งๆ ท, ที่ตัวเองน่ะเป็นแม่ทัพคุมมาปล่อยทหารปราศจากระเบียบวินัยจนเกิดการชลาใจอ่อนแอขึ้นแล้วจะโทษใครจะมาแสดงท่าคุณเครืองพาโลหาเรื่องเอากับพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วย มันจะเป็นการถูกต้องเหรอมาเรียได้ทีหาโอกาสว่าบัรหัสเสีดูท่าจะโกรธแค้นมากที่ถูกกุ่มเสียดสีถากถางจากเฉลยด้วยเหตุผลที่เหนือกว่าไม่อาจกล่าวสิ่งใดได้อยู่เป็นคู่ใหญ่ในที่สุดก็ฝืนเสยะยิ้มเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นการกำแหงหานท้าทายที่สุดของพวกกองโจรออรชุนและมีปริศนาชวนให้คิดมากเราจะไม่สงสัย ถ้ามันจะยกพวกเข้าโจมตีอย่างเมื่อคืนวานตอนนี้มันลอบเข้ามาอย่างลึกลับมีเลนสไนพิกลพวกท่านยังอยู่กับครบแต่ทหารยามที่จะเห็นเหตุการณ์กลับถูกขโมยตัวหายไปหมดบางแห่งมีรอยเลือดตกค้างอยู่เพราะโจรลบร่องรอยไม่ทันแสดงว่ามีการจู่โจมเข้าสังหารก่อนจะลากศพออกไปอย่างไรก็ตามมีนายทหารหัวหน้าเวียนยามไม่ต่ำกว่าสมคน ที่จะต้องได้รับโทษถึงประหารชีวิตในครั้งนี้นั่นมาเรื่องของท่านรหาหัศยะท่านจะจัดการกันเองยังไงก็ได้แต่ตามความเห็นของเราเน่ะมันไม่ใช่เป็นการยุติธรรมนักหรอกนะทหารหัวหน้าเวรที่ท่านกล่าวว่าจะต้องได้รับโทษถึงประหารชีวิตคงจะเนื่องมาจากมีความผิดที่ปล่อยให้โจรบุกเข้ามาถึงใจกลางกองทัพได้แต่ท่านไม่คานึงถึงเหตุผลมั่งเล ว่าทหารหัวหน้าเวรเหล่านั้นโดนรมยาสะกดเข้าเขาก็มีโอกาสที่จะนอนหลับไม่รู้สึกตัวเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันพวกเราหนะไม่รู้กฎอายการศึกของกองทัพเมืองมรกรนครแต่ถ้าจะพูดกันตามความรู้สึกแท้จริงแล้วตัวท่านนะ่ะแหละท่านควรจะรับผิดชอบมากกว่าใครในกองทัพนี้คือละทิ้งหน้าที่พลักออกจากกองทัพไปหาความสบายส่วนตัวและจะมามัวโทษทหารบริวารของท่านคนไหนเล่า ชายันยั่วมาอย่างสนุกปะรหัสยะตาพองกหมึนถึงเรารหัสยะนะั่นเลยจะละทิ้งหน้าที่ท่านเอาอะไรที่ไหนมาพูดจะโง่งเน่าเช่นนี้เราเป็นใครก็ท่านาเป็นใครอุปราชพระอนุชาจอมทัพรหัสยะแผดเสียงตะโกนมาอุปราชหรือพระอนุชานะี่ยมันไม่สําคัญหรอก มันสำคัญอยู่ที่ว่าท่านเป็นจอมทัพหรือแม่ทัพของทหารเหล่านี้ในระหว่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ออกสึกสงครามแล้วก็ลองคิดดูดิในฐานะจอมทัพท่านกลับละทิ้งกองทัพไปเช่นนี้แม้จะมอบหมายความรับผิดชอบทั้งมวลให้แก่บุคคลอื่นก็ตามท่านก็ยอมไม่พ้นที่จะรับผิดชอบไปได้ยันนึกสิว่าทหารชั้นผู้น้อยเท่านั้นที่จะละเลยต่อหน้าที่ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งจอมทัพอย่างท่านก็ยังละเลยต่อหน้าที่ได้เหมือนกันตัวท่านเองก็พูดอยู่โยกนี่ว่าถ้าแม้ว่าท่านอยู่สักคนเดียวพวกโจรก็จะไม่บังอาจกล้ำกลายเข้ามาใช่หรือไม่ละ่ะเอาละเอาละเราไม่ต้องการจะตีฝีปากใดๆกับพวกเจา้ารกรหัสยะพูดสะบัดสบดัแล้วกล่าวมาอย่างมาตรายอันแสดงออกทางสายตาวะ่ะ เฉลยทุกคนจะยังออกเดินทางได้แต่วันสายกว่านี้อีกสักนิดพวกเจ้าจะถูกคุ้มตัวเข้าพระนครอ้าวอ้าวรหัสยะถ้าลืมอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วนะระพินกล่าวพร้อมกับยิ้มนิดหนึง่งอาหารเช้าของพวกเราทุกคนไงเราจะไม่เตรียมตัวออกเดินทางโดยเด็ดขาดนะรหัสยะถ้าเรายังไม่ได้กินอาหารเช้าซะก่อนนี่รอบคอบมากผู้กอง แล้วพวกเราก็กำลังหิวกันทุกคนนะเนี่ยชายันร้องเชียร์มาอย่างยินดีอย่างเสียไม่ได้ราษยะหันไปสอบถามผู้จ่าอะไรกับทหารของตนอยู่ครู่ใหญ่และทหารบางส่วนก็พละหายออกไปประเดี๋ยวอาหารจะมีมาให้พวกท่านกินตามปกติเสร็จแล้วก็เตรียมออกเดินทางได้ขอบใจมากนะราษยะเราขอถามสักคำหวังว่าท่านคงจะไม่รังเกียจนะ ตอนนี้พุทธกุตมะมีอาการเป็นยังไงบ้างล่ะดารินถามมาด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกุตมะนะ่ะสบายดีแล้วตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์หลวงประเดี๋ยวอาหารจะมีมาให้พวกท่านกินตามปกติเสร็จแล้วก็เตรียมออกเดินทางได้ขอบใจมากน ะ, ร, ะราษฎร์และขอถามสักคำหวังว่าท่านคงจะไม่รังเกียจนะ ตอนนี้ผู้เฒกุตมะมีอาการเป็นยังไงบ้างล่ะดารินถามมาด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกุตมะนะ่ะสบายดีแล้วตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์หลวงแล้วโดยไม่รอช้าเพื่อไม่ให้มีการซักถามหรือพูดจาใดๆอีกรหัสยะเดินออกจากกระโจมไปอย่างพกเอาความหงุดหงิดคุนเครื่องไปด้วยองครักษ์ตามหลังไปเป็นพรูด ทิ้งให้เฉลย อ, อยู่กันตามลำพังอีกครั้งพอรับหลังรหัสสัญดารินวราฤทธ์ก็หัวเราะออกมาเบาๆทุกสายตายกเว้นรพินกับขยินเบนมาจับอยู่ที่หลอนเป็นตาเดียวน้อยเห็นจะเป็นเธอนี่แหละที่กุมความลับอะไรไว้อันเป็นต้นเหตุให้เจ้าอ้วนนั้นหัวเสียเข้ามาพูดจาทำท่าจะเอาเรื่องกับเรามาเรียกระซิบเบา ไม่ใช่ชั้นคนเดียวหรอกเมยไพรวันแล้วก็ขยินอีกคนหนึ่งด้วยอีกสองคนที่ถูกเอ่ยนามถูกพักพวกที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรหันไปมองหน้านี่น้อยเรื่องราวมันเป็นยังไงพี่ชายจับแขนน้องสาวได้ดึงเข้ามากระซิบถามเสียงตัตนๆเรื่องมันเป็นยางงี้พี่ใหญ่คือประมาณตีสองของเมื่อคืน เงาซายส่งแม่สือเมยานีกำหนวยจูโจมจำนวนหนึ่งเล็ดลอดเข้ามาเพื่อติดต่อกับพวกเรามันก็ประจวบเหมาะกันพอดีกับที่น้อยระพินแล้วก็ขยินกำลังจะหาทางเล็ดลอดจากกองทัพนี้ออกไปสำรวจนอกบริเวณค่ายพักจริงเจิดกันข้ามีข่าวคืบหน้าที่เป็นประโยชน์กับทางฝ่ายเรามากจ้าพี่ใหญ่ทุกคนตะลึงค้างเมื่อได้ยินคาบอกเล่าของหมอดารินหลอนหัวเราะกล่าวต่อมาว่า อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครพี่ใหญ่เดี๋ยวน้อยจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดถึงความเป็นไปในระหว่างที่พวกเราคนอื่นๆหลับเป็นตายโดยมีน้อยระพินแล้วก็ขยินตื่นเผชิญกับเหตุการณ์อยู่เพียงสามคนก็ตั้งใจไว้แล้วละ่ะว่าจะเล่าให้ฟังเพื่อพวกเราทุกคนรับรู้ไว้ก่อนที่จะเดินทางเข้าออตัวเมือง ม, มรกรกรค่ะตอนนี้พวกนั้นเอาอาหารเข้ามาให้เราแล้วเอาเป็นว่าประเดี๋ยวเรากินกันไปคุณก็ไปพลางก็ได้แล้วกันนะคะ ตะวันเช้าเริ่มสาดแสงกระจางแจ้งไปทั่วฝ่ายฉเฉลยทุกคนกินอาหารเสร็จเรียบร้อยและรับทราบความจริงโดยละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยการบอกเล่าของดารินมันเป็นเรื่องตื่นเต้นพิศวงและทำให้ต้องใคร่ครวญคิดหนักอย่างไรก็ตามต่างสงวนท่าทีอยู่ในอาการอันสงบไม่ส่อพิรุธใดๆให้ปรากฏแก่การสังเกตของฝ่ายทหารหลวงทั้งสิ้น กระโจมพักถูกรื้อถอนกองทัพเริ่มจัดขบวนเพื่อการเคลื่อนกำลังฝ่ายฉเฉลยก็จัดของเตรียมตัวกันอย่างรัดกุมและเตรียมพร้อมปืนสั้นติดตัวเท่าที่เหลืออยู่ในกลุ่มของเจ้านายถูกตรวจสอบกระสุนที่บรรจุอยู่อย่างทีท้วนระมัดระวังและกระสุนสำรองเท่าที่มีอยู่ของแต่ละขนาดแต่ละกระบอกถูกเชียวชาสั่งให้เอาออกมาติดตัวไว้ให้พร้อมโดยไม่ให้แบ่งแยกไปเก็บไว้ยังหีบห่อสัมภาระใดๆทั้งสิ้น ดารินนันยัดกระสุนจุดสามแม็กของหลอนเต็มรังกระสุนในเข็มขัดที่เหลือเทจากกล่องใส่กระเป๋ากางเกงไว้อีกหลอนดูเหมือนจะมีกระสุนประจําปืนมากกว่าทุกคนส่วนจุดสีแม็กหน่ำของปืน3กระบอกที่อยู่ในมือเชิฐ้าชา ย, ยันและระพินท่านหัวหน้าคณะสั่งให้เอากระสุนทั้งหมดมารวมกันและแบ่งเฉลี่ยเป็น3 ส, ส่วนเท่าเท่ากันมาเรียนนั้นไม่มีอะไรจะต้องยุ่งยากมากนักในเรื่องนี้ ปืนสั้นของหล่อนเป็นโค l ลซิงเกิลแอคชั่นจุด45ของอดีตสามีซึ่งกระสุนก็เหลือเพียงไม่กี่นัดปัญหาจึงอยู่ที่ปืนลูกโมซิงเกิลจุด22ของดารินซึ่งเปลี่ยนโม่มาใช้จุด22แมกนัมอีกกระบอกเดียวอย่างตกลงกันไม่ได้ว่าควรจะมอบไว้ที่ใครเพราะมาเรียผู้ซึ่งแต่เดิมดารินได้มอบปืนกระบอกนี้ไว้ให้ได้บอกว่าน้อยไม่ควรให้ปืน2กระบอกมารวมอยู่ที่ชั้นคนเดียวนะ เลือกเอาคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกลุ่มพราญพื้นเมืองของไพรวันที่คิดว่าเขาพอจะใช้การมันได้เมื่อจำเป็นเขาเพียงจะให้แกเจ้าสัางปาของฉันเท่านั้นมันไม่ประสาหรอกเหตุผลของแบม่สาวเมื่อพิจารณาให้ลึกทุกคนก็เห็นด้วยโดยที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้างั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณและ้วล่ะรพินเอาเป็นว่าปืนกระบอกนี้นะคุณจะให้ลูกน้องคนไหนของคุณดีพิจารณาเอาเองแล้วกันเชิดเาว่า ภายหลังจากคิดนิดเดียวจอมพรานก็เรียกเกิดเข้ามารับปืนกับกล่องกระสุนมาจากมาเรียแล้วหลักแขนพรานเด็กหนุ่มผู้ชอบเล่นปืนมากที่สุดของเขาห่างพักพวกออกไปทางหนึ่งภายหลังซุบซิบสอนวิธีบรรจุถอดกระสุนและ ว, วิธียิงให้ครู่เดียวเกิดก็พยักหน้าอย่างเข้าใจเอาผ้าขามาเขียนเอวแน่นแล้วเหน็บปืนกระบอกนั้นซ่อนไว้ที่ปุ่ อาจมีการพยายามปลดอาวุธพวกเราอีกครั้งก่อนที่จะเข้าถึงตัวกรรษัตริย์สิงหรานะเชษฐาผู้รอบคอบกระซิบบอกทุกคนในภาวะเช่นนั้นเราจะตัดสินใจกันยังไงทุกคนมองหน้ากันยิงไอ้คนที่เราเห็นว่ามันกลุ้มความสําคัญไว้มากที่สุดก่อนเป็นคนแรกแล้วก็คนที่สําคัญรองรองลงมาจนกระทั่งหมดกระสุนจากนั้นก็สุดแล้วแต่โชคชะตา ช ย, ยันพูดหน้าตาเฉยแต่ความหมายมันหนักแน่นชัดจริงจังในน้ำเสียงของอดีตนายทหารปืนใหญ่เอางั้นเหลอครับผู้กองดารินหันไปถามจอมมักคุเทศอีกครั้งระพินยิ้มนิดหนึ่งครับผมเป็นคำตอบที่สั้นที่สุดมีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างไหมท่านหัวหน้าคณะถาม ยังเหลืออีกสองคนเท่านั้นคือดารินและมาเรียซึ่งแน่ละก็พิสูจน์มานานแล้วว่าทั้งสองสาวต่างมีเลือดที่เข้มข้นพอๆกันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะพี่ใหญ่มาเรียเป็นคนพูดผลักลูกโม่ปืนซิงเกิลขนาดใหญ่ของหล่อนให้หมุนแกรกเล่นแล้วยัดลงซองข้างเอวถ้าเราจะยอมให้มันปลดอาวุธก็ควรจะยอมเส้แต่แรกแล้ว และถ้ามันปลดอาวุธเราได้สแต่ตอนแรกสถานการณ์ของเราจะเลวร้ายยิ่งกว่าที่เราเป็นอยู่ขณะนี้มากนะักอำนาจต่อรองที่เรามีกับพวกมันจะไม่มีเหลืออยู่เลยยิ่งเผชิญกับคิงสิงหาราในขณะที่เรามีปืนพร้อมอยู่ในมือเช่นนี้ยิ่งดีนะใช่ไหมน้อยดารินหัวรอก้าวในลำคอก็หวังไว้ว่ากษัตริย์สิงหาราคงจะไม่นังเหนียวหรือมีมาหาอุดนะ เห็นกุตามาคุยนะักคุยหนานี่ว่าพวกเขามีเวทมนต์คาถาขลังนักนี่แต่เกิดปืนฉันยิงไม่ออกฉันจะปืนคว่างกรบบาลของพระเจ้ากรุงมรกุนครเองไม่เชื่อก็คอยดูดิทุกคนหัวเราะออกมาเป็นครั้งแรกต่างผลัดกันรัดสายเปสะพายหลังให้กันและกันนี่ผู้กองคำนวนไว้แล้วหรือยังเนี่ยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นกระสุนที่เรามีอยู่ทั้งหมด จะปะทะไว้ได้นานสักแค่ไหนก็คงไม่เกินหกเจนาทีลครับต่อจากนั้นพวกมันก็จะเข้าถึงตัวแล้วคราวนี้เขาเว้นคำพูดอยู่แค่นั้นยิ้มยิ้มแทนก็เป็นนั้นว่าตกลงตามนี้แล้วกันนะก็เชื่อเหมือนกันว่ารหัสยะกักุตมะผู้เห็นอำนาจปืนจากเราดีแล้วคงจะไปบอกให้สิงหาราู้และถ้าเจ้าขี้โกงนั่นมันไม่โง่จนเกินไปนั ก็คงไม่กล้าเสี่ยงชีวิตยังไงก็ตามเราก็จะต้องหาทางหนีที่ไล่รอบคอบและกว้างขวางเข้าไว้พวกเราน่ยเพียงสิอคนตกอยู่ใจกลางที่ล้อมของทหารสิงหรารอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เข้าไปในเมืองแล้วเราก็ยิ่งเสียเปรียบและเสี่ยงมากขึ้นทหารขมังธนูของราษยะก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขายิงธนูได้แม่นยำเพียงไร รหัสเสยะอาจเอาพลธนูนับจำนวนร้อยซุ่มเตรียมยิงเราอยู่และถ้าธนูเหล่านั้นรุมยิงออกมาพร้อมๆกันรอบด้านเราทั้ง11คนจะตายหมดก่อนที่จะทันชักปืนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือปากกระบอกปืนของเราจะต้องจับอยู่ที่รหัสเยะและสิงหาราตลอดเวลาที่เผชิญหน้าเห็นไม่ชอบมาพาคนยังไงก็ซัดก่อนเลย ถ้าเจ้าสองคนนั้นกลิ่งไปก่อนก็มีสองความหมายคือทหารกลุ่มรุมกข้าฆ่าพวกเราอย่างรวดเร็วหรือมิฉะนั้นก็เป็นมนสะกดสาบให้พวกนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้เราได้เพราะทุกคนก็มีสิทธิที่จะกลัวตายได้เท่าๆกันเชิดถาพูดไปตามความคิดคำนึงวาดภาพเหตุการณ์ในทุกแง่ทุกมุมของเขาแล้วถอนใจออกมาเบาๆแต่สีหน้าอยู่ในรอยยิ้มอย่างไม่ยี่งรักกับอนาคต กล่าวต่อมาว่าจากคำสั่งของสิงหาราจากคำสั่งของจักรราชที่ฝากเมยานีใหมาบอกเราเรื่องที่ไม่ให้ไว้วางใจกุตมะทำให้ความมั่นใจในทางดีงามของเราลดถอยลงไปมากทีเดียวอนุชากนันอินซึ่งแต่แรกเราดีใจกันเต็มที่ว่ายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นสิ่งไม่แน่ไปซะแล้ว เราเสียงเข้าไปพบสิงหราในครั้งนี้ก็เพื่อความรู้ให้แน่ชัดว่าคุณชายอนุชากระนันอินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เท่านั้นเองครับแ้ะแง่สายก็ต้องการให้เราทําเช่นนั้นด้วยนะครับคุณชายทาั้งๆที่เขาก็ยังไม่อาจให้หลักประกันความปลอดภัยใดๆแก่เราได้ทั้งสิน้นเพียงแต่บอกมาว่าจะพยายามส่งกองกาลังเข้าสอดส่องแทรกซึมเพื่อคอยให้การช่วยเหลือถ้าเราไม่หวังซะอย่างเดียวว่า เราจะไปดูให้รู้แน่ว่าคุณชายอนุชากนานอินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เราก็ควรหาทางหนีจากการควบคุมของฝ่ายทหารหลวงไปอยู่ในความคุ้มครองของกองโจรอรชุนแล้วพรานใหญ่บอกมาแล้วเขาก็ผลไปซักซ้อมนัดแนะทำความเข้าใจกับคนของเขาเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าเมื่อเวลาสำคัญมาถึงคนเหล่านั้นจะร่วมมือประสานงานกันอย่างสอดคล้องที่สุด แล้วเขาก็หันกลับมาที่คณะนายจ้างอีกครั้งอย่างรวดเร็วขณะนั้นทหารที่ควบคุมอยู่เริ่มให้สัญญาณเคลื่อนพลด้วยการตะโกนบัญชากล้องและเสียงเป่าเขาก็ดังขึ้นยาวเหตุการณ์ข้างหน้าที่เรากำลังจ ะ, ะเผชิญมันอ่านอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นหากความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้มาถึงจริงๆกระสุนนัดแรกที่จะระเบิดขึ้นขอให้เป็นกระสุนของคุณชายนะครับ พวกผมขอมอบการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่คุณชายเอาเป็นว่าถ้าคุณชายยิงตูมขึ้นเมื่อไรพวกเราก็จะสู้ตายเมื่อนั้นโอเคไปมันต้อนเราแล้วเชิถาพูดเสียงหนัก ประตูมหือมาของมหานครมรกฎเผยกว้างออกแล้วมองเห็นอยู่เบื้องหน้าห่างประมาณห้าหกร้อยเมตรบนปราการเชิงเทอมอันสูงลิบยอดกำแพงทำมืนชนิดแงนคอตั้งบ่าบัดนี้มองเห็นทหารภายในพระนครขึ้นประจำเรียงรายอยู่ทุกช่องเรากับจะต้อนรับเฉลยต่างแดนทั้งสิบเอ็ดคนอย่างเต็มเกียรติยศหรือมิฉนั้น ก็ดูอีกทีก็เหมือนกวัดเตรียมพร้อมที่จะรับศึกใหญ่กองทัพที่ควบคุมเฉลยมาเคลื่อนขบวนใกล้าปากทาวารเข้าไปทุกขณะอย่างเป็นระเบียบเสียงฝีเท้ามาและเสียงย่ำเท้าเป็นจังหวะของพลเดินเท้าสะเทือนไปทั้งแผ่นดินทำให้ดูหน้าเกรงขามเป็นที่ยิ่งท่ามกลางแดดยามเช้าอันกระจ่างสดใสเช่นนี้ทาให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รอบด้าน ชัดเจนกว่ายามค่ำสลัวโพลเพลของเย็นวานที่มาถึงยิ่งใกล้เข้ามาฝ่ายทั้งสิบเอ็ดคนก็ยิ่งตื่นตะลึงกับความงามของศิลปะการก่อสร้างอันแสดงถึงความเจริญสูงสุดของสถาปัตยกรรมซึ่งโลกภายนอกในปัจจุบันไม่อาจสร้างได้เพียงแค่ประตูเมืองกำแพงอันยาวเหยียดสุดสายตาโอบล้อมเขตเมืองไว้ยอดปรางปราศาสตร์มหามนดบ เคหะและเทวะสถานซึ่งยอดสูงตระงานเสียด ฟ, ฟ้ากระทบแสงแดดยามเชา้าสะท้อนประกายวาววุบด้วยอั ญ, ญมณีหลากสีที่ประดับไว้มีถนนราบเรียบหลายต่อหลายสายตัดเข้าไปสู่ตัวเมืองทุกทิศทางและทุกคนก็เพิ่งจะสังเกตเห็นในละแวกใกล้เขตกำแพงเมืองซึ่งชยันพูดอย่างติดตลกว่าเขตเทศบาล น, นั้นก็ปรากฏเคหสถานบ้านเรือนของเมือง ปลูกเกรียงรายแน่นขนาดไปหมดสิ่งที่นำมาก่อสร้างบางแห่งก็เป็นอิฐหรือดินเผาและบางแห่งก็เป็นศิลาแรงหรือหินสกัดทั้งก้อนซึ่งมีขนาดเท่าๆกันนำมาก่อซ้อนทับกันไว้และทรงตัวอยู่ได้อย่างมหัศจรรย์มีเสียงเป่าเขารับกันเป็นทอดๆแวววมาจากฝ่ายในพระนครจากเชิงเทินสูงประชาชนชายหญิงต่างเพศต่างวัย ในเสื้อผ้าอาพรและแพรพันอันแสดงถึงความรุ่งเรืองเยี่ยงอารยาชนซึ่งย้อนหลังประมาณสองพันปีต่างยืนเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มๆเฝ้าดูกองทาหารที่ออกไปปราบเสียนน้ำของแผ่นดินกลับคืนสู่พระนครบางก็สัญจรอยู่ไปมาขวักควาแม้จะอยู่เขตนอกมือก็ยังจับว่าเป็นชุมชนที่หนาแน่นคึกคักมีกลุ่มคนเลี้ยงแกะโคกระบือที่ต้อนฝูงไปตามถนน มีเกวียนเทียมด้วยโคต่างๆและบ้างก็เป็นรถเทียมมาฝูงชนเหล่านั้นหลีกทางให้แกกองทัพที่กำลังเดินในลักษณะเหมือนสวนสนามเคลื่อนใกล้ประตูเมืองเข้าไปทุกทีในสายตาของเหล่าเฉลยที่ถูกควบคุมล้อมหน้าล้อมหลังมาเหล่านั้นไม่อาจสังเกตเห็นได้ว่าฝูงชนที่เฝ้ายืนมองขบวนริ้วทหารเหล่านั้นส่อสีหน้าอาการอันบ่งถึงความรู้สึกเช่นไร ดารินใช้กล้องสองทางไกลเดินสองกลาดไปรอบๆเท่าที่จะสามารถตลอดก็ทําได้ไม่ถนัดนักเพราะกําลังขยายของกล้องสูงมากทําให้ภาพที่ส่องไปพบสั่นไหวอันเนื่องมาจากกล้องไม่นิ่งอยู่กับที่และมักจะมีทหารที่ห้อมล้อมอยู่มาคอยบังวิวอยู่ตลอดเวลาหลอนจึงส่องสูงขึ้นไปสํารวจที่ประตูและกําแพงเมืองตลอดจนยอดเคหสถาน ที่โผล่สูงระ ง, งานขึ้นมาแล้วอุทานกับตัวเองว่าไม่นึกเลยว่าบ้านเมืองของแง่สายจะสวยงามรุ่งเรืองถึงขนาดนี้ยังกะกรุงราชคฤห์นในสมัยก่อนพุทธการงั้นแหละรู้สึกว่ากำแพงที่ยาวเหยียดล้อมไว้รอบด้านเหล่านั้นจะเก็บเนื้อที่ภายในไว้นับเป็นหมื่นหมื่นไร่ทีเดียวเมืองใหญ่ทั้งเมืองแต่สามารถสร้างกำแพงล้อมไว้ได้รอบพวกนี้สร้างกันขึ้นมาได้ยังไงนะ นี่นี่อย่ามาทำเป็นนักโบราณคดีหรือนักศิลปศาสตร์ในเวลานี้เลยแม่คุณชัยยันเอียงหน้าเข้ามากระซิบเอาเป็นว่ามาช่วยกันคำนวณดีกว่าว่ากำแพงหรือประตูเมืองนะั้นหะนักสักเท่าไรจะต้องใช้ท n t NT สักขนาดไหนถึงจะถล่มมาลงได้ดารินหัวเราะหันมองหน้าเพื่อนชายนี่ชัยยันความจริงนะเธอก็เป็นทาหารปืนใหญ่นะเดินทางมาคราวนี้นะ คุณจะลากปืนใหญ่มาด้วยซักกระบอกก็ดีเราจะช่วยจั ก, กรราชได้สะดวกขึ้นอีกมากเจ้า<ะ>ถึงว่าสิก้อยแงซายมันไม่บอกให้เราร้วงลวงหน้านี่ว่าแต่พวกก็พูดเธอไอ้เสือนี่มันฉลาดเอาเปรียบพวกเราชะมัดเลยฮึ่านนี้มันไปนอนกอดเมยานีสบายใจอยู่ในขุมกำลังของมันแล้วปล่อยให้เราเข้าไปประเชิญกับชะตากรรมตามลาพังอย่างนี้ก็แค่ส่งคำหวานมาปลอบเท่านั้นว่าจะหาทางช่วย มองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะช่วยเราอีท่าไหนถ้าหากสิงหราสั่งให้บวกทหารหลวงรุมสักรรมเร่ะหมอดารินหันมาทำตาเขียวดุเบาว่านี่นี่นี่จะมาว่าอะไรน้องชายฉันนะกอดเมยานี่นะ่ะดีแล้วดีกว่าไปกอดคนที่ชื่อเมยเฉยเฉยซึ่งเขาก็น่าจะมีโอกาสก่อนกอดกอดได้ก่อนเธอสิมาเรียได้ยินแววแววหันขวักมามองน้อย มีอะไรเกี่ยวข้องถึงฉันเหรอฟังไม่ถนัดเปล่าไม่ได้ว่าอะไรเธอหรอกเมรู้สึกเป็นยังไงมั่งล่ะสำหรับเช้านี้แม่สาวเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสยักษ์ไหลยิ้มเลี้ยนเลียนก็สดชื่นแจม่มใสดีอะน้อยและรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่จะได้เข้าไปทัศนาจรในมหานครอันสวยงามนี้เอ๊นี่ว่าแต่ว่าก็ามีแผนกตรวจคนเข้าเมือง คอยตรวจพาสปอร์ตของเราหรือเปล่านั่นเนี่ยบังเอิญฉันไม่มีติดตัวมาด้วยสิกระพินกับเชิดถาเท่านั้นที่สงบเงียบเฉยในระหว่างที่สมคนพูดคุยกันอย่างต้องการจะสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานร่าเริงไม่มีใครอ่านความคิดของทั้งสองออกแต่เห็นทั้งสองใช้ความสังเกตยอย่างรอบคอบระมัดระวังที่สุดในทุกฝีก้าวย่างที่เดินไปพวกพลานพื้นเมือง น, นั้น พากันมองสภาพบ้านเมืองเหล่านั้นด้วยสายตาอันตื่นตะลึงและซุบซิบคุยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ท้าวบุญคําเดินเลี่ยงเข้ามาใกล้เจ้านายโดยตรงของแกกระซิบเบาๆว่านายนายเมืองมันใหญ่โตเกินกว่าที่เราคิดฝันมากแลก้วคือนะนายอืมและศึกที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดด้วยละ่ะบุญคำนายอื นี่เรามาตามนายชดกันนานอินหรือว่าจะมารบกับคนในแผ่นดินนี้กันแน่นะนายไอจุดหมายเดิมเราก็รับจ้างเขามาตามนายชดกันนานอินนั่นแหละบุญคาแต่มันเกี่ยวพันกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วละ่ะที่จะต้องเข้าไปยุ่งกับคนในแผ่นดินนี้ด้วยบุญคำนิ่งคิดอยู่ครูน่นายสมมุติน า, นายสมมติว่าสองคนน้นยังมีชีวิตอยู่ และกษัตริย์เมืองนี้คืนตัวให้แก่เราโดยดีแล้วอีทีนี้เราจะทำยังไงล่ะนายเออแล้วบุญคำว่าเราควรจะทำยังไงละ่ะนายแต่โดยสัญญาจ้างมันก็ควรจะหมดภาระหน้าที่ของเราแล้วเราควรจะกลับในใจและนายก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะบุญคำแต่เจ้านายของเราคงไม่ยอมยุติอยู่เพียงแค่นั้นหรอก บุญคำนิ่งไปนานระพินชำเลืองมองหน้าแล้วถามบ้างว่าไหนลองบอกมาสิบุญคำกับพวกเราอีกสามคนรวมทั้งขยินและสางปลาหารือกันแล้วลงความเห็นว่ายังไงโดยหน้าที่น า, นายบุญคำเป็นลูกน้องของนายนายเอายังไงบุญคำก็เอายังนั้นแต่เท่าที่ผวกของบุญคำปรึกษากันแล้ว ถึงแม้เราจะได้ตัวนายชดกนานอินคืนมาแล้วก็ตามถ้าเมืองนี้ไม่มีแง่้ายเป็นกษัตริย์ครองบัลลังก์แทนพ่อของเขาที่ถูกทรยศหักหลังแล้วก็เรายินดีที่จะตายอยู่ที่นี่พร้อมกับแง่สายละนายแ ล, แล้วขยินกระสางปลาละ่ะว่าอย่งงางนั้นหรือเปล่าใช่นายแม้แต่ไอขยินหรือไอสางป่ามันก็ว่ายังนั่นนาย จอมพรานตบไหลคนสนิทของเขาหนักหน่วงดีไปบอกเขาทุกคนด้วยเถอะบุญคำว่าเขาเป็นลูกผู้ชายที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดทั้งนั้นรวมทั้งบุญคำด้วยตาพรานเท่าลืมตาโตจ้องหน้าเจ้านายของแกอุทานออกมาว่านายบุญคำนะเพิ่งจะอ่านใจนายออกเอาเดี๋ยวนี้เองแต่เราอาจจะตายกันทั้งหมดนะนาย บุญคำทุกสิ่งทุกอย่างนะมันสิ้นสุดลงเพียงแค่ตายเท่านั้นนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกแล้วคนกล้าจะตายได้ก็เพียงหนเดียวบุญคำพยักหน้าขณะนั้นเกิดจันเสยขยิบก็เดินเข้ามาสมทบกับกระพินพรานใหญ่จึงเดินอยู่ท่ามกลางคนของเขาโดยเฉพาะนายชาววันนี้พวกเจ้านายปรึกษาหารือกันเองโดยเฉพาะไม่พวกเรารู้บ้างเลย ก็ปรึกษากันว่ายังไงจัน์เอ่ยกระซิบขึ้นเราจะหาทางสืบคน้นและถ้าเป็นไปได้นะก็จะพยายามเอาตัวนายชดกับไหนอินออกมาให้ได้ก่อนแผนการขั้นแรกก็มีเพียงแค่นี้ต่อไปก็ค่อยว่ากันทีหลังแต่ตอนนี้เราไม่รู้แล้วละว่าทั้งสองคนนะมีชีวิตอยู่จริงหรือเปล่าเพราะกระแสข่าวจากกองโจรบอกเรามาว่าเรายังเชื่ออะไรกุตมะไม่ได้มากนะัก ส่วนหน้าของกองทัพเคลื่อนผ่านเข้าประตูเมืองใหญ่เข้าไปแล้วต่อมาก็ถึงริ้วขบวนที่ควบคุมตัวเฉลยกำลังพลทั้งหมดเดินไปตามถนนหินราบเรียบสายใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองอันกว้างใหญ่ซึ่งสองฝั่งเต็มไปได้วยโรงเรือนร้านค้าลักษณะคล้ายตลาดผ่านบ่อน้ำหินขนาดใหญ่เหมือนบึงหรือทะเลสาบกว้างอันมีบันไดทอจากเบื้องบนลงไปเป็นขั้นขั้น ซึ่งเต็มไปได้วยผู้คนฝักไว่สองฝากถนนกำลังหยุดภารกิจที่กระทําลงชั่วคราวหันมาจ้องมองริ้วขบวนควบคุมเฉลยเป็นตาเดียวพร้อมกับเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีพร้อมกับเสียงแตรสังที่เป่าประสานกันแท้ซําจากหน่วยทหารที่รักษาการอยู่ตามจัตุรัสต่างๆทั้งหมดบ่ายหน้าไปตามสนามประลองยุทธอันกว้างใหญ่ใจกลางพระนคร อันอยู่เบื้องหน้าเขตมหาปราศาสตรราชวังซึ่งบัตรนี้รายล้อมคลาค้ำไปด้วยฝูงชนและกองทหารซึ่งตีวงล้อมอยู่ราหัสยขี่ม้าศึกเหาะย่างเป็นสง่านำอยู่เบื้องหน้าขบวนซึ่งบัตรนี้เริ่มจะแปรแถวออกเป็นรูปครึ่งวงกลมเสียงฝีเท้ามา้าฝีเท้าคนปีกลองและแปรดังประสานกันจนทาให้เฉลยทุกคน บังเกิดอาการขนลุกสู้ซะความรู้สึกเหมือนกำลังจะเหยียบย่างเข้าไปในมาหาอาณาจักรโรมันสมัยจูเลียสซีซาฉะนั้นครั้นแล้วฉเฉลยทั้งสิบเอ็ดคนก็พบตนเองยืนอยู่หน้ากลางลานหินอันกว้างใหญ่พร้อมด้วยทหารมาและพลเดินเท้าที่แวดล้อมหมู่หนึ่งประมาณไม่เกินสามสิบคนส่วนทหารนับหมืน่นอันเป็นคนละส่วนกับกองทัพที่คุมมา ซึ่งคงจะสลายตัวออกไปยังเคหะของตนแล้วเพื่อพักผ่อนหรื อ, อยังไงก็ไม่ทราบได้ทว่าที่เห็นแน่ๆก็คือกองพลฝ่ายพระนครชุดที่แวดล้อมเฉลยและกันประชาชนไว้ในรัศมีที่ห่างออกไปในรูปครึ่งวงกลมประมาณร้อยเมตรและเห็นสพัพฤกพร้อมไปหมดเหล่านี้เป็นทหารคนละส่วนกับที่ได้ออกไปปราบพวกโจรตามชนบทและเป็นฝ่ายควบคุมมาแต่ต้นสแสดงให้เห็นถึงระเบียบวินยัย และการพลัดเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างดีที่สุดเบื้องหน้าห่างออกไปราวห้าหกสิบเมตรเป็นบันไดหินใหญ่หลายสิบขั้นที่ทอดยาวลึกขึ้นไปสู่ลานชั้นบนซึ่งเต็มไปด้วยเสาหินอ่อนแต่ละต้นมาคือมาค้ำยันไว้ลักษณะมันไม่ผิดอะไรกับบันไดาทางขึ้นรัฐสภาหรือทางขึ้นท้องพระโรงอันเป็นที่ออกประทับเพื่อสั่งราชการแผ่นดินของกษัตริย์ และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเชิงบันไดชั้นล่างสุดเป็นภาพสลักของสิงโตหินและเทวรูปบางองค์ซึ่งทุกคนไม่รู้จักนั่งและยืนถมึงถึงอยู่ในลักษณะต่างๆกันบนลานสูงซึ่งทุกคนในมุมที่ยืนอยู่เบื้องต่ำขณะ น, นี้ไม่สามารถจะมองเห็นตลอดเข้าไปได้นั้นเฉพาะริมลานชั้นบนสุดก็ประดับไปด้วยสิงสาราสัตว์และเทวรูปลักษณะแปลก ซึ่งสลักด้วยก้อนหินเช่นกันขณะนี้เราฉเฉลยต่างหันหน้าไปเผชิญยังบันไดาทางขึ้นมหาปราสาททองพระรงนั้นและพากันตะลึงไปชั่วครู่ในความใหญ่โตระหโหฐานน่ายำเกรงของสถานที่เพราะกำแพงเมืองถนนหนทางตลาดโรงร้านเคหะและสถานสุ ข, ขารมของบุคคลทั้งสำคัญในตัวเมืองที่เดินผ่านและเห็นกันมาผาดผา ก็ตระหนักถึงความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรและผู้คนเหล่านี้อยู่มากแล้วบัดนี้เมื่อมายืนเผชิญกับขนทางขึ้นท้องพระโรงที่ออกว่าราชาการของกษัตริย์แห่งมรกรนครก็ยิ่งเห็นถึงความโอฬา น, นั้นอย่างชัดแจนจนทําให้ความรู้สึกเชื่อมั่นในความเฉลียวฉลาดของตนเองซึ่งเป็นคนที่อยู่ในยุค ข, ของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าทุกข่มให้สะทกสะเทือนและบังเกิดความสยองกลัว ไม่แน่ใจตนเองขึ้นมาซะแล้วอันความกว้างใหญ่ของบันไดหินนั้นเดีย๋ยวว่าแต่คนจะเดินขึ้นไปพร้อมๆกันได้ครั้งละร่วมร้อยคนในลักษณะแถวหน้ากระดานเลยต่อให้กองมาทั้งกองก็สามารถจะควบตะลุยขึ้นไปได้ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะทหารที่โอบแวดล้อมไว้นับหมื่นยืนนิ่งเป็นตุ๊ ก, กตาปั้น ประชาชนฝูงคนถูกกั้นไว้เบื้องหลังทหารอันยืนเป็นกำแพงล้อมนันไว้อีกทีส่วนพวกที่คุ้มเหล่าเฉลยในระยะใกล้ก็สนิทนิ่งเช่นกันเหมือนจะรออะไรสักอย่างหนึ่งพลอยทำให้เฉลยทั้งสิบเอ็ดคนกลายเป็นใบ้าไปด้วยมาเรียเท่านั้นที่ใช้กล้องสองทางไกลส่องขึ้นไปสํารวจสภาพของบันไดหินเหล่าเทวรูปและสิงสัตว์จตุรบาท อันเป็นเครื่องประดับอันหน่าเกรงขามจากนั้นหล่อนก็บ่ายกล้องขึ้นสูงจับขึ้นไปบนพื้นหินเหนือลานด้านบนและสะกิดให้ดารินดูเมื่อนักมนุษย์วิทยาสาวส่องกล้องของหล่อนตามขึ้นก็พบสั ญ, ญลักษณ์รูปหินสลักเป็นดวงอาทิตย์กําลังสาดรัศมีออกเป็นแฉกเป็นภาพที่เด่นชัดเป็นประธานเหนือกว่ารูปสลักอื่นใดทั้งหมดหน้าทางขึ้นบันไดนั้น หันไปทางทิศ ต, ตะวันออกสุริยเทพนั่นแหละที่มาของตระกูลผู้ครองนครนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเปลี่ยนมืออยู่ในอำนาจของคนทรยศหล่อนกระสิบเหมือนจะกล่าวกับตนเองความสงบนิ่งโดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆนี้ดูจันนานจนเกินปกติ ท่านหัวหน้าคณะจึงเอ่ยถามทหารที่ขี่ม้าถือหอกเคียงอยู่ข้างๆว่าทหารนี่เราจะยืนรออะไรอยู่นี่กริยัสิงห์ราทรงต้องการพบพวกเราไม่ใช่เหรอโดยไม่ได้หันหน้ามาสนใจมองทหารผู้นั้นตอบห้าวชาชานมาว่าเราทั้งหมดกำลังรอกระแสรับสั่งอยู่ว่าจะให้ปฏิบัติต่อเ่าพวกท่านเช่นไรจะทรงอนุญาต ให้เรานำเข้าเฝา้าหรือจะนำท่านไปพักพรที่ใดก่อนอีกสักครู่ท่านคงรู้ชยันเอียงหน้าเข้ากระซิบสหายของเขาว่าก็คงจะเป็นเช่นนั้นแหละเชษฐาเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะถูกนำมายืนเป็นสัตวประหลาดของชาวเมืองที่นี่ฉันสังเกตเห็นรหัสยักษ์ขี่ม้าขึ้นบันไดพระราชฐานนั่นขึ้นไปท่านหัวหน้าคณะไม่กล่าวเช่นไรอีก เพียงแหารไปมองทางระพินผู้เงียบเฉยแล้วแลไกลออกไปยังกลุ่มทหารมากมายที่เข้าแถวล้อมวงอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติอย่างที่คิดหวาดระแวงไว้คือไม่มีทหารกลุ่มใดเตรียมงือง่าธนูอีกประการหนึ่งก็ล้อมวงไว้ระยะไกลมากโดยมีทหารฝ่ายควบคุมเพียงจํานวนน้อยห้อมล้อมอย่างเป็นระเบียบอยู่ใกล้ๆเท่านั้นถ้าหากเกิดการระดมยิงด้วยธนู ก็แปลว่าจะต้องถูกทหารผู้ควบคุมเหล่านี้ก่อนครูใหญ่ต่อมาขณะที่ทุกคนเริ่มกระสับกระายเพราะแดดสายเริ่มส่องกล้ามาทางด้านหลังความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจชนิดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนลานสูงเหนือบันไดขั้นสูงสุดอันเป็นฐานของมหาปราศาท์ปรากฏม้าขาวที่ทุกคนจำได้ว่าเป็นม้าของรหัสยะ ก้าวลงบันไดนำหน้ามาอย่างแช่มช้าติดตามมาทางเบื้องหลังเป็นชายชกันแต่งกายสีแดงล้วนผู้แพกไปจากเครื่องแบบทหารหลวงที่เคยเห็นแบกเสลียงคานหามอันมีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเสลียงนั้นและติดตามมาด้วยทหารอีกหมู่หนึ่งมีอาวุธพร้อมถือหอกในท่าเฉียงอาวุธเดินตรงลงมายังคณ ะ, ฉะเฉลยที่ยังยืนสงบอยู่ใจกลาง ทุกคนเริ่มใจเต้นแรงและจ้องภาพนั้นตามไม่กระพริบครั้งแรกต่างก็เข้าใจว่าผู้ที่นั่งอยู่บนเสลียงมีคนแต่งกายชุดแดงหามแหมานั้นคือกษัตริย์สิงหาราแต่จากกล้องสองทางไกลทำให้มาเรียและดารินอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นพร้อมกันว่ากุตมะเชิถากรชัยยันขอกล้องจากสองหญิงไปส่องดูบ้างก็เห็นเป็นความจริงตามนั้นผู้นั่ง บนเสลียงมาอย่างอัครฐานคือกุตตมะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินฝ่ายทหารของกษัตริย์สิงหราหรือที่ฝ่ายกองโจรอรชุนเรียกว่าคนทรยศนั่นเองกุตตมะจริงๆด้วยระพินส่วนไอ้อ้วนที่กีมานำหน้ามานั่นคือรหัสยะท่านหัวหน้าคณะพืมพรมบอกด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจไม่มีคำตอบ หรือการแสดงความเห็นอย่างใดจากจอมักุเทศหรือคนของเขาใดๆทั้งสิ้นฝ่ายที่พากันเดินลงมาจากบันไดปราศาสเคลื่อนใกล้เขมาทุกขณะจนกระทั่งมาถึงพื้นราบในระดับเดียวกันและเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของคณะเฉลยต่างแดนห่างกันประมาณห6 9กรหัสยะยังคงอยู่บนหลังมา้าส่วนกุตมะก็ยังนั่งเป็นสนาสีหน้าเคร่งขรึมอยู่บนเสลียง ซึ่งชายร่างยักษ์สี่คนแบกอยู่บาทแผลจากธนูไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะภาพพันแผลของดารินบัตรนี้ถูกถอดออกส่วนจะเยียวยากันภายในยังไงนะ้ะไม่ทราบได้เนื่องจากขุนพลเท่าอยู่ในเครื่องแบบของนักรบเต็มภาคภูมิในตำแหน่งยศของเขาถอดดวงตาสีเทาจับนิ่งมายังฉเฉลยทุกคนเหมือนประหนึ่งว่าไม่เคยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อน ดารินนั้นความดีใจที่พบเห็นทําให้หล่อนร้องทักออกไปว่ากุตมะเราดีใจเหลือเกินที่ได้พบท่านอีกเป็นไงท่านสบายดีแล้วเหรอที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกฎนครไม่ได้มีอาการว่าจะสนใจกับคําทักทายของหญิงสาวเลยลักษณะท่าทีของเขายามนี้ดูจะมีความสําคัญซะยิ่งกว่าอุป ร, ป ร, ราชพระอนุชาซะอีก เพราะนั่งบนเสลียงเผชิญหน้ากับเฉลยทุกคนรหัสย่านั้นหลีกมาไปยืนพึ่งอยู่ข้างๆเหมือนจะปล่อยการเจราจาทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กุตมะแต่เพียงผู้เดียวในนามของกษัตริย์สิงหราผู้ครองมรกฎนครมีกระแสรับสั่งให้เรากุตมะมานำเฉลยทั้งหลายเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพัก ภายในท้องพระโรงที่ว่าราชการแผ่นดินเสียงกุตมะประกาศขึ้นยังชาายน็นดารินเริ่มหน้าเสียหล่อนผิดหวังและเสียใจในน้ำเสียงของกุตมะเป็นอย่างยิ่งแต่มารียเยียดเท้าไว้บังคับไม่ให้หล่อนพูดอะไรอีกทั้งสิน้นเชษฐาซึ่งขณะนี้ยืนอยู่แถวหน้าเคียงคู่กับพระพินยิ้มให้พร้อมกระตอบว่าฝ่ายเราก็พร้อมละ แล้วก็มาคอยอยู่ที่นี่นานแล้วท่านจงนำพวกเราเข้าไปเทัศกุตมะโดยบทบัญญัติแห่งนครนี้กุตมะพูดเสียงห้าวหน้าตายต่อไปฉเฉลยหรือนักโทษคนใดก็ตามที่จะถูกนำเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักจะมีอาวุธในตัวไปไม่ได้แม้แต่เข็มเล่มเดียว เพราะฉะนั้นจงวางอาวุธของท่านทุกคนลงก่อนว่าแล้วไม่มีผิดเลยเชียวเห็นจะได้ละเลงเลือดกันตรงนี้แล้ววะสิงชัยยันพูดเบาๆมาจากเบื้องหลังและราวกันนัดกันไว้ทุกคนชักปืนจากซองข้างเอวหันหลังเข้าชนกันปากระบอกปืนของรพินกับเชิดาจับไว้ที่ใบหน้าของกุตมะและรหัสยะ สำหรับกุตมานั้นแน่วนิ่งเคร่งครึมอยู่ในอาการเดิมไม่สะทกสะเทือนใดๆทั้งสิ้นแต่รหัสยะเห็นชัดว่าหน้าซีดเหงื่อแตกซิกขึ้นมาทันทีกุตมะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านน่ะยิ่งใหญ่เพียงไรในแผ่นดินนี้และเราก็จะไม่ขอลำเลิกบุญคุณใดๆแกท่านทั้งสิ้นดารินพูดเสียงเครือ บทบัญญัติประจำใจของพวกเราก็มีอยู่เหมือนกันใช่จะมีแต่เฉพาะพวกท่านเมื่อไรบทบัญญัติของพวกเราก็คือจะไม่มีการวางอาวุธให้แก่ใครจนกว่าเราจะตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการให้พวกเราวางอาวุธก็เชิญนี่เชิญเข้ามาปลดเองเด้อกล่าวจบหล่อนง่างนกปืนจุดสามห้าเจ็ดซิงเกิลแอคชั่นของหล่อนปรากฏเสียงกริ๊ก ในความเงีนบณบัดนี้เสียงเตืนของแง่สายที่ฝากสั่งมากับแม่เสือเมยานีแวววกล้องอยู่ในหูแต่ยังนึกเสียดายที่ในขณะ น, นี้มีแต่เพียงกุฏตมะและรหั ส, สยะเท่านั้นที่ประจันหน้ากันอยู่ไม่มีกระสัสิงหราอันเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในนครนี้อยู่ณที่นี่ด้วย ทุกคนรอเสียงระเบิดของปืนนัดแรกที่จะดังจากเชิดาตามที่ตกลงกันไว้แต่เชฐดายังไม่ยิงเพราะเขารู้เขารู้ว่ามันยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆอันเนื่องจากสังเกตเห็นรหัสยะกุตมะและทหารทั้งปองที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดตัวยังไม่มีใครขยับตัวไปในท่าทีร้แต่สาหรับฝ่ายฉเฉลยนั้นมือขวากาปืน มือซ้ายกำกระสุนสำรองไว้แล้วส่วนพวกพรานพื้นเมืองก็คำเมนหมายตาไปยังทาหารมาที่อยู่ใกล้ชิดตัวที่สุดโดยกำหนดไว้แล้วเช่นกันว่าหากเกิดตะลุงบอนกันเมื่อใดตนจะจัด ก, การกับใครก่อนชนิดทีเดียวดับจิตกุฎธมะยกมือขึ้นสูงและโบกเรียกรหัสยะให้เหาะมาเข้าไปใกล้ อาการชนิดนั้นทำให้คนใจร้อนค่อนข้างจะขวัญอ่อนอย่างชา ย, ยันเกือบจะยิงเข้าให้ซะและ้วหากแต่รำลึกถึงข้อตกลงขึ้นมาได้ซะก่อนอุปราชพระอนุชากับที่ปรึกษาราชาการทหารซุบซิบอะไรกันอยู่ครู่กุตมะก็หันมาทางเฉลอยอีกครั้งเราไม่ได้วันไหวต่ออาวุธของท่านเลยและเราก็ไม่ใช่คนกลัวตายด้วยหากจะรบ ในขณะนี้ถึงแม้เราจะตายพวกท่านก็จะละเอียดเป็นผุยผงภายในไม่เกินทริปตาเสียงพูดนั้นเน้นหนักบ่งความหมายว่าไม่ได้สะทกสะทานเลยความเผือดของสีหน้าอันแสดงความกลัวอาวุธสายฟ้าไปตกอยู่ที่อุปราชพระอนุชาซะมากกว่าถึงกับยกแขนขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากและไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้น ปล่อยหน้าที่การเจราจาให้กุตมะเพียงคนเดียวแต่กษัตริย์สิงหรามีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะได้พบกับพวกท่านและยังไม่มีพระประสงค์ที่จะให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในหมู่ของพวกท่านแต่เมื่อพวกท่านยังไม่ยอมวางอาวุธตามบทบัญญัติเช่นนี้ เราก็จะขอกลับเข้าไปกราบทูลกษัตริย์เหนือหัวของเราก่อนเพื่อพระองค์จะผ่อนปรนให้เราท่านได้เข้าพบทั้งอาวุธเช่นนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านไปพักผ่อนในอุทยานหลวงหลังมหาปราศาสตร์นี้สะก่อนเพื่อรอกระเสรรับสั่งต่อไปกล่าวจบกุตมะก็หันไปบงการแกนายทหารชั้นแม่ทัพคนหนึ่งเพื่อให้นาตัวฉเฉลยเคลื่อนย้าย ในขณะที่รหัสสยะและที่ปรึกษาฝ่ายทหารขยับจะเคลื่อนถอยหลังกลับจังหวะอันชิงไหวชิงพริบกันชั่วเสี้ยววินาทีนี้เองระพินกับเชษฐาวราริธ์ก็เพ่นออกไปข้างหน้าพร้อมกับปืนที่ถือจ้องสองมือรหัสสยะและกุตมะหยุดก่อนถ้าท่านพระออกจากที่นี่เราจะฆ่าท่านทันทีท่านหัวหน้าคณะประกาศเฉียบขาดยิ้มเห e ี้ยมเกลียม คำสั่งนั้นศักดิ์สิทธิ์พอใช้รหัสยะชักมาชะ ง, งักกึกกับที่ส่วนกุตมะขมวดคิว้วโบกมือกับคนแบกเสลียงร่างยักษ์ทั้งสี่ให้หยุดการเคลื่อนไหวเชื่อถา ก, กล่าวด้วยเสียงดังก้องต่อไปว่าท่านใหญใครไปกลาบทุน ก, กษัตริย์สิงห์อเช่นไรก็สุดแล้วแต่ถ้าว่าตัวท่านเองและอุปราชรหัสยะ จะเคลื่อนไหวไปไหนห่างจากเราไม่ได้ทั้งสิ้นและขอประกาศให้ทราบว่าขณะนี้ทั้งรหัสสยาและกุตมะตกอยู่ภายใต้การยึดตัวของเราแล้วถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหมดจะอยู่ใจกลางที่ล้อมของพวกท่านก็ตามเราจะไปพักในอุทยานหลังปราสาทตามที่ท่านบอกเพื่อรอฟังคําสั่งของกษัตริย์สิงหาราแต่ท่านทั้งสองจะต้องเป็นผู้นาเราไป และอยู่กับเราจนกระทั่งนำเราทั้งหมดเข้าเฝ้ากษัตริย์ของท่านหาไม่เช่นนั้นแล้วท่านทั้งสองจะต้องตายก่อนใครทั้งสิน้นกุตมะและรหัสสยะมตะลึงไปชั่วขณะอย่างคาดการไม่ถึงมาก่อนชั ย, ยันตะโกนมาบ้างว่าว่าไงราสยะกับตาเท่ากุตมะท่านแนจริงก็สั่งให้ทหารนับมือเหล่านี้เข้ามาขยี้เรา หรือว่าเดินหันหลังพระจากเราไปสิแล้วดูสิว่าคาหมองของท่านทั้งสองจะกระจายหรือไม่รหัสสยนั้นงันไปซะแล้วจากความเอาจิงเอาจังของฝ่ายเฉลยแต่กุตมะยังเยือกเย็นอยู่เหมือนเดิมยกมือขึ้นโบกห้ามมาพวกท่านลดอาวุธสายฟ้าของพวกท่านลงเสถึกเราและอุปราชอนุชา จะเป็นผู้นำท่านไปยังที่พักชั่วคราวและจะอยู่เป็นตัวประกันให้แกท่านจนกว่าเจ้าเนื้อหัวของเราจะมีองค์การประกาศิทธิมาอีกครั้งดีมากเสียงของเชษฐาเกือบจะเป็นคำรามส่งทหารคนใดคนหนึ่งของท่านให้ไปกราบทูลสิงหราว่าเราต้องการเช่นนี้และในขณะนี้ เราได้ยึดท่านทั้งสองไว้เป็นตัวประกันแล้วอย่าแสดงพิรุษว่าจะหลีกหลบจากเราเป็นอันขาดมิฉะนั้นเราจะฆ่าท่านทั้งสองทันทีขาดคําของเชษฐาชัยยันก็เพ็นพวดเข้าถึงตัวรหัสสยะเอาปืนจี้กระชากตัวลงมาจากหลังมา้าแล้วล่าเข้ามารวมกลุ่มกับพวกตนซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจเท่าหานเกินกว่าที่คณะคนใดจะคาดถึง ซึ่งรหัสสยาก็ไม่บังอาจที่จะขัดขืนใดๆทางสิ้นเพราะเห็นประจัก์มากับตาแล้วว่าอำนาจปืนน่ะเป็นเช่นไรส่วนรพินก็ปราดเข้าไปที่กุตมะผู้นั่งอยู่บนเสลียงคานหามด้ารินรู้ทันรีบร้องบอกมาละล่ำละลักว่าอยา่รารพินไว้แกอยู่บนคานหามอย่างนั้นแหละแ่อาจยังเดินไม่ไหวนั่งอยู่บนคานหามอย่างนั้นก็ไม่มีปัญญาจะหนีไปไหนได้หรอก คุณหญิงน่าชอบราณีคนเสมอแม้กระทั่งไอ้คนที่มันเป็นอันตรายต่อเราระพินหันมาตวาดอย่างเดือดดาลใจแล้วตบลงโดยแรงบนเสลียงของกุตมะร้องสั่งเชียบขาดว่าไปเข้าไปร่วมกลุ่มอยู่กับพวกเราเดี๋ยวนี้ทหารชุดแดงทั้งสี่ยังยืนนิ่งอย่างไม่สะทกสะทือนเพราะไม่เคยรู้ริเปืนมาก่อนต่อเมื่อกุตมะออกคาสั่งเรียบเรีย ทั้งสี่ยักษ์นั่นถึงได้หามเสลียงเข้าไปอยู่ใจกลางวงล้อมของฝ่ายเฉลยทั้งสิบเอ็ดคนทหารทั้งหลายฟังทางนี้เช่ถาประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังกึกก้องขณะนี้เราเป็นเฉลยอยู่ในวงล้อมของพวกท่านนับหมืน่นแต่ว่าคนสำคัญของท่านสองคนคืออุปราชพระอนุชาและกุตมะ ที่ปรึกษาฝ่ายรายชการทหารก็ตกเป็นตัวประกันของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นขออย่าให้ท่านคนใดกระทำการอันเป็นภัยต่อเราเป็นอันขาดเรามีความต้องการเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหาราของพวกท่านและต้องการตกลงในบางประการด้วยสรนติวิธีไม่ใช่ยังฆ่าศึกศัตรูขณะนี้เรากำลังรอการตัดสินระทัยของกษัตริย์สิงหารา ในข้อที่ว่าจะยอมให้เราเข้าไปพบโดยไม่ทำมันตารายหรือจับกลุมคุมขังเราจยไปกลาดทูลเจ้าเหนือหัวของท่านเถิดว่าชีวิตของพระอนุชาและที่ปรึกษาฝ่ายทาหารตกอยู่ในก ร, รมือของเราแล้วแล้วถ้าจะแลกกับชีวิตเราทั้ง11อคนเราก็พร้อมแล้วความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินปรากฏขึ้นอีกครั้ง มาก็มีเสียงฮือฮาแววจางๆมาจากฝ่ายประชาชนที่มุงล้อมดูอยู่เบื้องนอกระยะไกลผู้คนเป็นจํานวนมากเริ่มจะเบียดเสียดรวนเร่ผลักดันทหารที่ยืนแถวล้อมอยู่จนส่วนเสียขบวนอยู่ไปมาก็ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยแทรกแซงของกองโจรอรชุนเข้ามาหาเรื่องก่อกวนและเตรียมช่วยเหลือเหล่าชเลยตามที่เมยานีบอกไว้ก่อนหรือไม่แต่ถ้าขืนรอชา เหตุการณ์คงไม่เป็นไปในรูปดีงามแน่รพินจึงเข้าประกบตัวรหัสยะไว้สั่งทหารเลิกแถวแล้วกันประชาชนเหล่านั้นออกไปให้ห่างที่สุดและเมื่อท่านอ้างว่าจะนำเราไปพักในอุทยานหลังปราศาสตรก็เร่งนำไปซะโดยเร็วรวมทั้งให้ทหารไปกราบทูลสิงหราตามที่เราต้องการนี้ด้วยรหัสยะกัดกรามแน่แล้วตะโนบัญชายอย่างจาใจ ทหารนับหมื่นแปรขบวนหันหลังกลับถือหอกเฉียงอาวุธเข้าขับไล่ประชาชนให้ตีวงกว้างออกไปอีกนายทหารชั้นแม่ทัพอีกสองสามนายควบมาเข้ามารับคำสั่งส่วนหนึ่งบ่ายหน้าตรงขึ้นบันได ย, ยังราชฐานอันเป็นทองพระโรงที่ประทับอีกส่วนหนึ่งขี่ม้านำเฉลยทั้งหมดซึ่งบัดนี้กันเอารหัสยะและกุตมะไว้ใจกลางเดินอ้อมลานหิน ผ่านไปตามสวนพฤกษชาติอันงดงามข้างปราสาทผ่านสะบัวกว้างใหญ่ตรงไปยังตำหนักหลังหนึ่งซึ่งสร้างอย่างแข็งแรงเหมือนจะเป็นที่จองจำกักขังนักโทษชั้นสำคัญมากกว่าจะเป็นเรือนรับรองแขกแต่เราฉเฉลยทั้งสิบเอ็ดคนนะไม่พลันพึงซะแล้วที่ไหนก็ได้ที่ทหารเหล่านั้นจะนำไปขออย่างเดียวให้มีรหัสสัและกุตมะ คนสำคัญที่สิงหาราจะต้องแยแสเป็นตัวประกันเข้าไปด้วยเท่านั้นอย่ากเก็บไอ้อ้วนจอมโอหังกับไอ้แกทีเด็กยอดนักหักหลังนี่สิจริงๆให้ตายหาสิชัยยันคำรามออกมากดปากกระบอกปืนจี้ติดต้นคอรหัสสยะอย่างมันเขี้ยวแต่มาเรียตืนสติมาว่านี่ชัยยันอย่าใจร้อนนะชีวิตของเราทั้งหมดขณะนี้นะ่ะ ฝากว่ากัไอ้สองคนนี่แหละแต่สิงห์ราเกิดไม่แคร์สั่งแทงบัญชีจำน่ายเมื่อไรเราก็ตายหมดเมื่อนั้นมันจะฆ่าน้องในายผู้ร่วม ง, งานทรยศกับมันได้ก่อนมันรู้ไปดารินน้ำตาคลอเดินเข้าไปใกล้กุตมะพูดว่ากุตมะเราเสียใจเหลือเกินที่เราดูคนผิดและเดี๋ยวนี้เราก็ไม่สงสัยเลยว่าเหตุใด ท่านถึงกล้าทรายศต่อราชวงศ์เทพกุตมะไม่ตอบเพียงแต่ปลายหางตามาทางนักมานุษยวิทยาสาวนิดนึงโดยที่หลอนไม่อาจจะอ่านความหมายใดๆจากแววตาคู่นั้นได้